องประกอบต่างๆที่คำจุนเกื้อหนุนและเสริมประโยชน์ของสมาธิข้อ3เครื่องวัดความพร้อมหลักธรรมที่เป็นเครื่องวัดความพร้อมและบ่งชี้ความก้าวหน้าช้าหรือเร็วของบุคคลในการปฏิบัติธรรมได้แก่อินรียหคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาหลักธรรมชุดนี้ ใช้สาหรับการปฏิบัติธรรมได้ทั่วไปตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดไม่ใช่ใช้เฉพาะสําหรับการเจริญสมาธิเท่านั้นอินรีแปลว่าสภาพที่เป็นใหญ่ในกิจของตนคือธรรมที่เป็นเจ้าการในการทำหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งในที่นี้หมายถึงเป็นเจ้าการในการทำหน้าที่กาจัดกวาดล้างอากุศลธรรมซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามเช่นความเพียร กำจัดความเกียดคร้านทำให้เกิดความพร้อมในการทำงานและปฏิบัติธรรมก้าวหน้าไปได้ความหมายของอินทรีย์ห้าอย่างนั้นท่านแสดงไว้พอสรุปได้ดังนี้ 1. สศรัทธาเรียกเต็มว่าสัตทินทรี์พึ่งเห็นได้ในโซดาปัตติยังกะทีว่าโดยสาระก็คือ ศรัทธาในตถาคตโพธิหรือตถาคตโพธิศรัทธานั่นเองกิจหรือหน้าที่ของศรัทธาคืออธิโมกความน้อมใจดิ่งมุ่งดิ่งไปปรงใจปักใจความหมายที่ต้องการว่าความเชื่อที่มีเหตุผลมั่นใจในความจริงความดีของสิ่งที่นับถือหรือปฏิบัติ 2. วิริยะ เรียกเต็มว่าวิรีนรีพึงเห็นได้ในสัมมปทานสีบางแห่งว่าความเพียรที่ได้ด้วยปรารบสัมมปทานสีหรือตัวสัมมปทานสีนั่นเองบางทีก็พูดในสั้นลงว่าความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมและทํากุศลธรรมให้ถึงพร้อมการมีความแกล้งกล้าแข็งขันบากบั่นมั่นคงไม่ทอดุระในกุศลธรรม หน้าที่ของวิริยะคือปักกะการยกจิตไว้ความหมายสามัญว่าความเพียรพยายามมีกำลังใจก้าวหน้าไม่ท้อถอย 3. สติเรียกเต็มว่าสตินสีพึงเห็นได้ในสติปัฐานสีบางแห่งว่าสติที่ได้ด้วยปรารบสติปัฐานสีหรือตัวสติปฐานสีนั่นเอง บางทีให้ความหมายง่ายลงมาว่าการมีสติการมีสติครองตัวที่ยวดยิ่งสามารถระลึกนึกทวนถึงกิจที่ทำคําที่พูดแล้วแม้นานได้หน้าที่ของสติคืออุปัฏฐานการดูแลหรือคอยกำกับจิตความหมายสามัญว่าความระลึกได้กากับใจไว้กับกิจนึกได้ถึงสิ่งที่พึงทำพึงเกี่ยวข้อง4 สมาธิเรียกเต็มว่าสมาธินีพึ่งเห็นได้ในฌานสีบางแห่งว่าหมายถึงตัวฌานสีนั่นเองหรือพูดอย่างง่ายได้แก่การทำภาวะปล่อยวางให้เป็นอารมณ์แล้วได้สมาธิได้เอกคตาแห่งจิตหน้าที่ของสมาธิคืออวิเคปะการทำจิตไม่ให้ฟุง้งไม่ให้สายความหมายสามัญว่า ความมีใจตั้งมั่นแน่วแน่ในกิจในสิ่งที่กำหนด 5. ปัญญาเรียกเต็มว่าปัญญีสีพึงเห็นได้ในอริยสัจ4คือการรู้อริยสัจสี่ตามเป็นจริงหรือพูดอย่างง่ายได้แก่การมีปัญญาความประกอบด้วยปัญญาที่ยังถึงความเกิดขึ้นและความเสื่อมสิ้นไปซึ่งเป็นอริยะ ทำลายกิเลสได้อันจะให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบหน้าที่ของปัญญาคือทัศนะการเห็นความจริงความหมายสามัญว่าความรู้เข้าใจตามเป็นจริงรู้ทั่วชัดรู้สิ่งที่ทำที่ปฏิบัติอย่างรู้หรือรู้เท่าทันสภาวะในสัทธาสูตรสังยุตติกายมหาวารวะ มีพุทธพจน์รับรองคำกล่าวของพระสารีบุตรว่าอินทรีห้าอย่างนี้ส่งผลเป็นปัจจัยต่อเนื่องกันกล่าวคือศรัทธาทำให้เกิดความเพียรความเพียรช่วยให้สติมั่นคงเมื่อสติมั่นคงแล้วกำหนดอารมณ์ก็จะได้สมาธิเมื่อมีสมาธิดีแล้วก็จะเกิดปัญญา รู้เข้าใจมองเห็นซึ่งถึงโทษของอวิชชาตันหาที่เป็นเหตุแห่งสังสารวัตรมองเห็นคุณค่าของนิพพานซึ่งเป็นภาวะปราศจากความมืดแห่งอวิชชาและความทุรนทุรายแห่งตันหาสงบประณีตีเยี่ยมครั้นเมื่อปัญญารู้ชัดเข้าใจแจม่มแจ้งด้วยตนเองแล้วก็จะเกิดมีศรัทธาที่เป็นศรัทธาอย่างยิ่งหรือยิ่งกว่าศรัทธา หมุนเวียนกลับเป็นสัตว์ทินสีอีกดังพุทธพจน์ท่อนสุดท้ายว่าดูกะสารีบุตรอริยะสาวกนั้นแหลเพียรพยายามอย่างนี้ครั้นพยายามแล้วก็ระลึกอย่างนี้ครั้นระลึกแล้วก็มีจิตมั่นแน่วอย่างนี้ครั้นมีจิตมั่นแน่วแล้วก็รู้ชัดอย่างนี้ครั้นรู้ชัดแล้วก็มีอภิสัต t h คือ ก็ยิ่งกว่าเชื่ออย่างนี้ว่าทำทั้งหลายที่แต่ก่อนนี้เราเพียงแต่ได้ยินได้ฟังเท่านั้นย่อมเป็นดังนี้แลดังเราสัมผัสอยู่กับตัวและเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาอยู่ในบัดนี้ในพุทธพจน์แสดงปฏิปทา4ี่ว่าโดยแนวการปฏิบัติธรรมของบุคคลที่แตกต่างกันไปเป็นสี่ประเภทคือบางพวกปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้า บางพวกปฏิบัติลาบากแต่รู้ได้เร็วบางพวกปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้าบางพวกปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วพระพุทธองค์ทรงชี้แจงว่าตัวการที่กำหนดให้รู้ช้าหรือรู้เร็วก็คืออินสียห้ากล่าวคือถ้าอินสี่ห้าอ่อนไปก็รู้ช้าถ้าอินสียห้าแก่กล้าก็รู้ได้เร็ว แม้แต่การที่พระอนาคามีแตกต่างกันออกไปเป็นประเภทต่างๆก็เพราะอินทรีห้าเป็นตัวกําหนดด้วยกว้างออกไปอีกความพรั่งพร้อมและความหย่อนแห่งอินทรีห้านี้แหลเป็นเครื่องวัดความสําเร็จเป็นอริยบุคคลขั้นต่างๆทั้งหมดกล่าวคือเพราะอินทรีห้าเต็มบริบูรณ์ก็เป็นพระอรหันต์อินทรีห้าอ่อนกว่านั้นก็เป็นพระอนาคามี อ่อนกว่านั้นก็เป็นพระสกะธาคามีอ่อนกว่านั้นก็เป็นพระโสดาบันประเภทธรรมานุสารีอ่อนกว่านั้นอีกก็เป็นพระโสดาบันประเภทสัทธานุสารีดังนี้เป็นต้นตลอดจนว่าถ้าไม่มีอินทรีห้าเสียเลยโดยประการทั้งปวงก็จัดเป็นพวกปุถุชนคนนอกมีคำสรุปว่า ความแตกต่างแห่งอินทรีย์ทำให้มีความแตกต่างแห่งผลความแตกต่างแห่งผลทําให้มีความแตกต่างแห่งบุคคลหรือว่าอินทรีย์ต่างกันทําให้ผลต่างกันผลต่างกันทําให้บุคคลต่างกัน